คำว่าจิตเป็นความรู้เท่านั้นไม่มีเรื่องราวอะไรมากมายขะที่มีความรู้อยู่โดยเฉพาะจิตก็ไม่มีเรื่องพอจิตก็เพิ่มตัวออก ดูความคิดความปรุงความจดจําสําคัญมั่นหมายต่างๆให้สิ่งที่เคยผ่านที่เคยรู้เคยเห็นมาแล้วนั่นละอีกเริ่มก่อเรื่องแล้วขยายตัวไปไม่มีที่สิ้นสุดยุติลงได้เรื่องจึงมีอยู่เรื่อยเื่และขยายตัวออกไปโดยลําดับจนกระทั่ง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 เวลามีอยู่เช่นนั้นทุกหัวใจถ้ามีแต่ความรู้เท่านั้นก็ไม่มีเรื่องถ้าเที่ยวก็เหมือนเนลลม็ดผลไม้ถ้ามีแต่เม็ดของมันเท่านั้นมันก็ไม่มีเรื่องมากอะไรแต่พอมันแตกเม็ดออกมาเป็นต้นแล้วจะมีใบมีล่าแต่ล่าค้อยมีเปลือกมีกระพี้มีแก่น มันมีกิ่นน้อยกริ่ใหญ่ใบอ่อนใบแก่มีดอกมีผลเต็มไปหมดในต้นไม้ต้นนั้นไม่สามารถที่จะพรารณาวินาผ่านมันได้นพนพอมันแตกออกจากเม็ดแล้วเท่านั้นมันขยายตัวไปจนไม่อาจที่จะนับได้ว่ารากแกวรลากฝอยมีเท่าไหร่แผล ออกไปกว้างแคบขนาดไหนรากแก้วมันลงลึกขนาดไหนเปลือกก็หุ้มตัวกระพรี้แกนลำต้นขยายตัวไปเรื่อยกิ่งก้านตาขาใบอ่อนใบแก่หินน้อยจริงใหญ่ดอกใหม่ดอกเก่าผลใหม่ผลเก่าสลับซับซ้อนเตนมไปหมดในต้นไม้ต้นเดียวจนไม่สามารถจะนับได้นะ นี่เราเทียกบกับจิตที่ได้เพิ่มตัวออกสู่ความคิดตรุงต่างๆขยายตัวไปไม่มีสิ้นสุดเรื่องจะผ่านม่านน้ำเป็นไรก็ไปคิดได้หมดแล้วเอามายุ่งตัวเองสิ่งที่ไม่เคยผ่านก็คิดไปเดาไปด้นไปสําคัญมันหมายไปเรื่อยๆส่วนทุนวนแล้วตั้งแต่เรื่องยุ่งทั้งนั้นถาเราไม่เคยเห็นความยุ่ง เราภาว น, นาเราก็รู้เรื่องความยุ่งว่าจิตเป็นตัวยุ่งที่สุดในโลกไม่มีสิ่งใดจะยุ่งยิ่งกว่าร่างกายของเราเวลาหิวอาหารมารับทานพอรับทานเสียก็ระงับดับกันไปน้ำพอดื่มเสียระงับดับไปไม่ควรดูดตลอดเวลาเหมือนจิตเวลาห่วงเหงาห้องนอน ก็ พ, พักผ่อนนอนหลับแต่เสียเวลาเมื่อเพียก็พักผ่อนเสียเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมากำบังบัตรักษาก็ยังมีการมีเวลาแล้วนับดับลงพอเป็นความสุข ก, กายสบายธาตุขันบ้างแต่จิตใจไม่เป็นอย่างนั้นก็ควรอยู่ตลอดเวลาเพราะความกระเพื่อมตัวเป็นไปอยู่โดยสม่ำเสมอเพราะมีสิ่งผักดันออกมาให้คิดให้ปรุงอยู่เช่นนั้นจิตจริงเหมือนตัวกคุณบอล น, นั่นเอง ถูกเตะปิ้งแบบนู้นปิ้งแบบนี้ปิ้งไปปิ้งมาถูกฝ่าเท้าเป็งที่เหรียบทั้งเตะทั้งเหยียบย่าทําลายถ้หิ้วเลยอาจะให้แหลกจริงๆริจิตก็เป็นสิ่งที่ทนไม่มีอะไรที่จะทนยิ่งกว่าจิตเหนียวแน่นยิ่งกว่าจิตทําลายให้ชิบหายไปก่็คิดหายไม่ได้เป็นแต่เพียงความทุกข์ความทรมานเพราะสิ่งเหล่านั้นบีบบังคับเท่านั้นเองนี่แหละคำว่าเรื่อง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 อุบายวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้ที่ทันเรียกว่าสวขาตธรรมคือจัดไว้ชอบควรแก่การแก้ไขกิเลสหรือละับดับกิเลสที่มันเกิดขึ้นจากตนได้ด้วยความถูกต้องแน่นย่างเหมาะสมกับการแก้กิเลสนั้นๆทุกประเภทการที่กระทบความทุกข์ความลำบากนั่น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 เข้ามาคิดตรุงแต่งต่างๆให้เกิดความทุกข์ความทรมานแก่ตนความระงับอุบายวิธีระงับดับสิ่งอย่างนี้จึงมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่เป็นผู้เดี่ยวชา ะ, ะสามารถทำจนได้ผล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 การระ ง, งับดับทุกข์จึงหมายถึงใจเป็นสําคัญหัวใจเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาเพราะตัวนี้เป็นตัวการถ้าพูดว่าผู้ต้องหาก็คือจิตดวงนี้ผู้ต้องโทษก็คือจิตดวงนี้เป็นคนขี้คุกขี้ตารางก็คือจิตดวงนี้ถูกกักถูกขังอยู่ในวัฏฏะสงสารพบน้อยพบใหญ่รุ่นแล้วตั้งแต่เป็นพบที่รับความทุกข์ความทรมาน วิบากจะว่าอย่งไรธรรมวิบากก็คือผลผลที่เกิดขึ้นจากเหตุก็ต้องทำให้ผู้ทำนั้นได้รับความทุกข์คอามบากในภพม้าภพใหญ่สังไสสังสาสงสรตานต้นท่องเที่ยวอยู่อย่า ง, ง, างนั้นเราหาทางออกไม่ได้พระพุธทธเจ้าจึงมาเปิดทางให้รู้ทางออกนี่คือทางออกเกี่ยว่านิยานิกระทั่ นำสัตว์โลกผู้ติดข้องด้วยสิ่งมัวมืดเป็นเครื่องปิดบังทั้งหลายนี้ให้ออกได้โดยนิยานนกฐธรรมสั่งสอนโดยลำดับลำดับนับตั้งแต่ทำขั้นต่ำ็นถึงขั้นสูงสุดการให้ทานก็แก้ไ ข, ขกิเลสประเภทหนึ่งคือความตณหนีเหนียวแน่นความเห็นแก่ตัวนี่ซึ่งเป็นกิเลสที่ถูกมรรคพึง จ, จิตใจ จนหาทางออกไม่ได้ผู้ที่มีศรัทธาความเชื่อความลมใสเป็นความพอใจในการให้ทานจึงเชื่อว่าเป็นผู้แก้กิเลสตัวเหนียวตัวแน่นที่มัดอยู่ภายในจิตใจนี้ออกได้เดิมดับจนกระทั่งเป็นผู้เสียสละไม่มีความอะไรเสียดายเป็นที่พอใจเมื่อได้เสียสละอะไรลงไปเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นมากน้อย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 ความไม่เห็นคุณค่าของเขาโดยความเห็นแก่ตัวนี่เป็นกิเลสประเภทหนึ่งคนทั้งโลกสัตว์ทั้งโลกเห็นเป็นคนแต่เราคนเดียวเห็นมีคุณค่าแต่เราคนเดียวแล้วทำลายคนอื่นได้โดยไม่มีความละอายบาปหรือไม่มความไม่มีความสํำนึกคิดในเรื่องบาปเรื่องบุญเลยขอแต่เป็นความพอใจของเราใครที่าผายวายปวง้วยชีวิตจิตใจร่างกายอะไรก็ต่างนี่เป็นกิเลสประเภทที่สาคัญอยู่มากเช่นเดียวกัน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 ในศีลในธรรมดังที่กล่าวมานี้ชื่อว่าเป็นผู้รักธรรมในการแก้กิเลสอันเป็นค่าสิต่อธรรมดังที่กล่าวมานี้นี่คำว่าภาวนายังเป็นความละเอียดของจิตเข้าไปแล้ความละเอียดของกิเลสเข้าไปเป็นชั้นๆท่านจึงสอนที่นี่จะรวมเข้าไปหาตัวจิตรู้เรื่องของจิต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 หรือให้กําหนดอารมณ์อันใดอันหนึ่งให้จิตให้เป็นเครื่องถูกจิตใจไม่ให้คิดไปในเรื่องต่างๆซึ่งจะเป็นการสั่งสมกิ่เดชขึ้นมาโดยลำดับให้จิตมีอารมณ์อันเดียวกับทำที่กําหนดกับทำที่บริกรรมนั้นๆเท่านั้นจนจิตมีความสืบต่อกันด้วยความรู้ที่เกี่ยวกับธรรมบทนั้นๆไม่ขาดว่าขาดตอนแล้วกลายเป็นความสงบขึ้นมาภายในตน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 ปรากฏแล้วทั้งสองเงื่อนคือความสงบกับความฟุ้งซ่านเราเลือกทาแม้จะมีความยากความลำบากก็ฝืนเพราะเหตุผลและสักขีพยานบอกอยู่แล้วภายในตัวว่าความสงบฝุ่เกิดขึ้นเพราะการกระทำเพราะความอุตสาห์พยายามแล้วผลก็ปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆเป็นความสงบเย็นใจ ขณะที่จิตมีความสงบตัวนั้นย่อไม่คิดถึงการเวลาเวลาสถานที่ที่ใดๆทั้งหมดเรื่องเลืองบันทึงอยู่กับความสงบอันเป็นจุขอยู่ด้วยกันนั้นโดยถ่ายเดียวนั่งอยู่ก็เพลินเพลินอยู่ในความสงบจุขคุ้มปิดแต่ยืนอยู่ก็เพลิน นี่คือผลที่เกิดขึ้นจากความสงบท้องใจไม่ก่อกวนตัวเองความคิดความปรุงระงับเข้ามาการกระทํามีความอุดหมุนกันไปโดยลํำดับมีความสืบต่อเนื่องกันเป็นลําดับผลย่อมมีความสืบเนื่องกันไปเป็นลํำดับเช่นเดียวกันจนกลายเป็นจิตที่อ่อนโยน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 ด้วยความจงใจด้วยความพอใจจิตในการเป็นสมบัติของตนขึ้นมาอย่างชัดเจนแต่ก่อนเราไม่ได้คิดว่าจิตนี้เป็นสมบัติของเราเพราะยังไม่เคยเห็นจิตแสดงตัวมาเป็นสิ่งที่น่าพึงใจและน่าอัศจรรย์หรือน่าจะเป็นสมบัติของตนหรือน่าไว้ใจได้ทีนี้ปรากฏขึ้นมาแล้วจึงกลายเป็นที่พึ่งอันหนึ่งกลายเ ป, เป็นที่อาศัยหรือกลายเป็นสิ่งที่อุ่นใจอันหนึ่งภายในตัวเอง อีกนั้นเลยกลายเป็นสมบัติขอ ง, งตนขึ้นมาแล้วก็รักสงวนพยายามกำจัดปัดเป่าสิ่งที่จะมาก่อควรทำลายจิตใจนั้นนั้นด้วยสตินี่เป็นอีกขั้นหนึ่งคือความละเอียดมีเข้าไปโดยธรรมนี่คืนเรียกว่าจิตมีฐานจิตมีหลักมีเตจนจิตเป็นสมบัติปรากฏเป็นสมบัติของผู้ทาขึ้นมาอย่างชัดเจนแล้ว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 ถูกพันกับอะไรบ้างท่านจึงสอนให้ใช้ปัญญาพิจารณาโดยโยกธาตุขันธ์ของเรานี้ขึ้นเป็นอันดับแรกพริจารณาคลี่คลายดูตลอดถึงสิ่งภายนอกบริษัทบริวารสมบั ต, ติต่างๆคิดไปเอามาเทียบเคียงว่าจิตมีความหนักเบาในสิ่งใดในแง่ใดในบุคคลผู้ใดในสมบัติอันใด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 ท่านจึงสอนให้ใช้ปัญญาซึ่งเป็นความจริงอันหนึ่งเพื่อจะสอดแทรกเข้าไปให้รู้ความจริงที่มีอยู่ภายในทาาขันือร่างกายของตนดโดยการพิิจพิจารณาเราเราจะพิจารณาแยกอาการของมันหรือตามความเป็นอยู่ของมันก็แยกออกไปดูให้เห็นชัดเจนด้วยปัญญาเราจะไมมีที่ตรงไหนแย้งความจริงอันนี้เลยดูเข้าไปตั้งแต่หนังเต็ม ข้างนอกหนังข้างในเนื้อเอ็นกระดูกดูเข้าไปดูเข้าไปนั่นเป็นยังไงตรงไหนที่เป็นเดาวตรงไหนที่น่ารักเป็นไหนที่น่ายินดีตรงไหนที่เป็นเขาดูเข้าไปจนหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันก็เป็นกองท่ากองขันเป็นกองอาุพะอาุพังเป็นป่าชา้าผีดิบเดวดีๆนี่แหละแยกออกเป็นเรื่องของธาตุก็ไม่มีอะไร มีแ่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเต็มเนื้อเต็มตัวของเราตั้งแต่วันเกิดมาจนรทั่งบัดนี้และยังจะเป็นเช่นนี้ตลอดไปจนกระทั่งถึงวันอวสารคือวันสลายตัวแห่งส่วนประชุมเหล่านี้แห่งธาตุทั้งหลายถ้าปัญญาได้อย่างลงไปให้ถึงเหตุถึงผลถึงความจริงซึ่งถึงจิตถึงใจแล้วไม่ต้องบอกมันปล่อยของมันเองสลัดลงไปสลัดลงไปปล่อยลงไปใน่วนหยาคือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี้อ่า นี่อันหนึ่งเป็นสิ่งที่ปิดบังความจริงหรือว่าความสําคัญมันหนักมันปิดบังตัวเราก็ถูกมันปิดบังเพราะอะไรเพราะท่าเพราะขานานันอันนี้จริงต้องเอาา่ขาขันนี้มาแจงดูคลี่คายดูให้เห็นชัดเจนแล้วก็มาเห็นตัวผู้จอมปลอมไปเที่ยวยิบนั่นตักปันมั่นหมายเอาสิ่งนั้นเป็นเราสิ่งนี้เป็นของเราขอความยุ่งยากให้แก่ตนขนทุกข์มาหนักเท่าไรก็จนกระทั่งไปไม่ได้ ก็ยอมทนเพราะความหลงนี้เองนะปัญญากำหนดพิจารณาให้เห็นชัดเจนตามเป็นจริงแล้วก็ปล่อยมันไปเองโดยลำดับเมื่อจิตมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งนี้อย่างชัดเจนแล้วมองไปที่ไหนมันทะลุปุโปรงไปหมดภายในร่างกายเห็นตามความจริงอย่างประจักษ์ใจ ไม่มีทางสงสัยดูภายนอกก็เช่นเดียวกับภายในดูภายนนก็เช่นเดียวกับภายนอกมันเป็นเช่นเดียวกันนี่ก็จะเป็นโล ก, กวิทูนคือรู้แจ้งเห็นจริงโลกทั้งโลกนอกโลกภายในเป็นสภาพเหมือนกันมีทั้งนั้น น, นี่โลกาภิทูนเป็นคุณสมบัติของพุทธบริษัททั้งหลายได้ไม่ใช่จะเป็นโล ก, กวิทูนเฉพาะพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวและยังมีอะไรเป็นตัวการสําคัญ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 ชัญญาความหมายนี่ฟังแต่ว่าความหมายมันงมไปยังไหมายนั่นหมายนี่จริงไม่จริงกับหมายไปจําไปลืมไปแล้วเอามาจําใหมย่ยุ่งกันไปหมดวิญญาณก็ปรากฏขึ้นในขณะที่มีสิ่งใดมาสัมผัสเป็นความกระเพื่อมแห่งความรู้รับกันกับสิ่งสัมผัสนั้นทางตาทางหงูทางจมูกทางลิ้ง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 ตัวขณะขณะที่สิ่งนั้นมาสัมผัสนั้นท่านเรียกวิญญาณวิญญาณในขันท่าจึงกับปฏิทนที่วิญญาณจรงขิดกันวิญญาณในขันท่าปรากฏขึ้นในขณะที่มีสิ่งมาสัมผัสปฏิทินที่วิญญาณนี่หมายถึงตัวจิตต้นรู้วันที่เข้าสู่ปฏิทินที่ก่อกําเนิดเกิดที่นั่นที่นี่หมายถึงจิตอืกล่าวในสถานที่นี้ในเวลานี้หมายถึงวิญญาณในขันท่าแล้วนี่ก็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 ต่อยคำว่ารูปเป็นเราเวทนาเป็นเราสังขารเป็นสัญญาเป็นเราสังขารเป็นเราวิญญาณเป็นเราต่อยออกไปเราไม่ใช่อาการห้านี้อาการห้านี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราตัดจับตัดตอนกันออกไปโดยลํนานักลำหนักจนกระทั่งขาดกันจริงๆจากอาการแม้จะแสดงขึ้นมาก็ทราบอาการนี้แสดงแสดงขึ้นเพียงไรก็ทราบว่ามันแสดงด้วยความรู้ของเราด้่ยปัญญาของเรา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 มันเหนือแต่ลากแก่พอถึงลากแก่แล้วก็ถอนอลากแก่คืออะไรคือตัวจิตที่เรียกตัวสำคัญอยู่ในนั้นหมดผู้ปฏิบัติจึงมักจะหลงที่ตรงนี้าไม่มีผู้แน่เลยจะต้องมาติดที่ตรงนี้ถือสิ่งนี้มาเป็นตงหรืออะไรอะไรก็ละหมดแล้ว รู้หมดแลรู้แล้วยกเราขึ้นมาเรารู้หมดแต่เราหาได้รู้เราไม่นี่คือเราหลงเรารู้สิ่งภายนอกแต่มาหลงตัวเองสิ่งภายนอกในสถานเทนีไม่ต้องพูดถึงว่าสิ่งภายนอกที่นอกจากตัวไม้ที่รูปเวทน า, าทั้งอางทั้งขานจินยานนี้นี่แหละรู้สิ่งเหล่านี้แล้วยังไม่ไม่ไมไมไมรู้ตัวจริงคือจิตจิดเลยยกตัวขึ้นมารู้สิ่งทั้งหลายคือทั้งทั้งที่ตัวกําลังหลงอยู่ในตัวเองท่านจึง ใช้ปัญญาคลี่คลายลึกขยี้ขย่ำเข้าไปที่ตรงนั้นอีกอืมเพื่อความรอบตัวไม่ให้มีอะไรซุ่มซ่อนอยู่เลยขึ้นชื่อว่ายาพิษคือกิเดตประเภทต่างๆแม้จะละเอียดเพียงไรคืออวิชาเป็นต้นก็ให้กระจายไปด้วยอํานาจแห่งปัญญาคลี่คายจนกระทั่งกระจายไปจริงๆนึกสั้นลายลงไปจริงๆด้วยอานาจของปัญญาอันแหลมคม แล้วคาว่าเราคําว่าของเราก็าหมดปัญหาคําว่ารูปร่างรูปเวทนาสัญญาสังขารยินยานหรือว่าอาการทั้งห้าขันทั้งห้านี้ว่าเป็นเราก็าหมดปัญหาประเดิมตามกันเป็นอริจังทุกขนานตาก็หมดปัญหาประเดิตามกันเพราะสิ้นปัญหาภายในจิตใจคือวิชาซึ่งเป็นตัวปัญหาได้สิ้นไปแล้วปัญหาทั้งหลายจริงไม่มีกับสิ่งใด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 จนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายนี้เป็นนิยาน์นิกระทาโดยสมบูรณ์นำสัตว์ผู้ข้องพูนง่ายหรือนำกิจผู้ข้องให้พ้นจากความข้องนั้นโดยประการทั้งปวงกลายเป็นโลกวิถูรู้แจ้งเห็นจินในธาตุในขันทั้งภายนอกภายในแล้วกำหมดปัญหากันจเท่านั้น จากนั้นท่านก็ไม่สอนอะไรต่อไปอีกเพราะพ้นจากทุกข์แล้วจะสอนเพื่ออะไรถึงที่อันเสษมแล้วสอนกันไปเพื่ออะไรอีกนี่แหละที่เคยกล่าวเสมอว่ามัชฌิมาในลหลักธรรมชาติอันเป็นฝ่ายถหนได้แต จ, จิตที่บริสุทธิดด์ล้วน้วนี่แหละไม่มีอะไรที่จะกลางยิ่งกว่าจิตที่บริสุทธิ์นี้เสมอยิ่งกว่าจิตที่บริสุทธิ์นี้ไม่มีในโลกทั้งสามนี้ เพราะฉะนั้นจริงไม่มีอะไรประเสริฐยิ่งกว่าจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆอันเป็นมัชฌิมาในหลักธรรมชานี้นี่แหละทำทำเอกก็คือนี้จิตเป็นเอกก็คือจิตที่บริสุทธินี้ทำอันเอกก็คือทำจิตที่เป็นความบริสุทธิ์หรือทำอันบริสุทธิ์ภายในใจนี้มีอันเดียวไม่มีสองกับอะไร โลกทั้งหลายมีคู่มีคู่ธรรมชาตินี้ไม่มีคู่อันเดียวเท่านั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าสมพระนามว่าเป็นโลกวิถีเป็นศาสตราเอกของโลกทรงรู้วิธีแก้ไขมาโดยลำดับนัหน่ แล้วนำมาสั่งสอนโลกให้พวกเราทั้งหลายแ่าจะเกิดจุดท้าทายหลังตามความทนมุติยมก็ตามแต่เราก็ได้รับพระโอาวาททำสั่งสอนคือศาสนาธรรมจากพระองค์ท่านมาปฏิบัติตนเองไม่เสียชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทันกับพระพุทธเจ้าคือทำคําสั่งสอนของทาง่านได้มาเป็นเครื่องประดับกายประดับใจของเราขอให้มีความภาคภูมิเลย วาสนาของเราที่จะสมัดสมธรรมปฏิบัติตามพระองค์ท่านท่านสมชื่อว่าเป็นพุทธบริษัทโดยสมบูรณ์จึงขอุติเพียงท้